พวกเราที่มาเกิดกันนี้มาทำอะไรกันเท่าที่เห็นก็มาหาความสุขกันแต่ความสุขที่เราหามันมักจะมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะเราไม่รู้จักความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ ตามมานั้นเป็นอย่างไรความสุขที่พวกเราหากันนี่มันมักจะทําให้เราต้องทุกข์กันเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเวลาเราได้มามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันจากไป มันก็ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่ได้มารู้จักมาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาพระพุทธศาสนานี้สอนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ความสุขที่พวกที่พระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราหากันนี่ท่านให้ชื่อว่าบุญบุญคือความสุขใจชาวพุทธเหล่านี้จะหาความสุขจากการทําบุญกันเพราะการทําบุญนี้ไม่มีทุกข์ตามมาเปาเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่ปลอดภัย จากสารพิษต่างๆจากพิษต่างๆถ้าไปรับประทานอาหารที่มีสารพิษติดมาด้วยก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมาเรื่องโรคอย่างอื่นตามมาเพราะอาหารนี้ก็มีสองแบบอาหารที่ปลอดสารพิษ อาหารที่ปลอดภัยปลอดจากโกครคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าไปบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารพิษก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดื่มสุรายาเมามีสารพิษคือแอลกอฮอล์ที่จะทำให้ เกิดโรคทางตับทางไตได้มีโรคตับแข็งนะหรือถ้าเอาควันพิษเข้าไปในร่างกายเช่นสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดมะเร็งปอดขึ้นมาหรือเกิดโรคถุงลมโป่งพองขึ้นมาอ่า น, นี่คือตัวอย่างของอาหารหรือเครื่องบริโภคเครื่องดื่ม ที่เราบริโภคกันเพื่อให้ความสุขกันถ้าเราไม่ฉลาดเราก็อาจจะไปบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ฉันใดความสุขที่พวกเราหากันก็เป็นความสุขที่มีอยู่สองรูปแบบความสุขที่ ปราศจากหลอดหลอดจากความทุกข์ต่างๆกับความสุขที่มีความทุกข์ติดตามมาในภายหลังความสุขแบบไหนที่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดตามมาในภายหลังก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงเกินดถนี่เองที่ทำให้เราทุกข์กันเดือดร้อนกันความสุขที่ได้จากได้ลาบไม่มีใครปฏิเสธว่าเวลารายได้ดีนี่ทุกคนยิ้มแยม้มแจ่มใสทุกคนมีความสุขกันแต่พอเวลาขาดรายได้ขึ้นมานี่เห็นข่าตัวตายกัน เมื่อวานนี้ก็อ่านข่าวเจ อ, เ อ, อนักแสดงหรืออะไรก็ไม่ทราบในอดีตออตกงานไม่มีรายได้ออออก็เลยฆ่าตัวตายออนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราหาความสุขจากข้าวของเงินทองต่างๆเวลามันขาดมือ มันจะทำให้เราทุกข์นะเพราะเราติดมันเหมือนติดยาเสพติดคนอื่นที่เขาไม่มีเงินทองเขาก็อยู่ได้อย่างเมื่อวานนี้เปรียบเทียบให้ฟังขอทานเขาไม่มีเงินทองทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายนะเขาก็อยู่ไปตามมีตามเกิดของเขาวันนี้ขอได้กี่ตังก็ก็ใช้มันตามที่ได้มาไม่ได้ก็ทำใจ อดเอาอดแต่ไม่คิดค่าตัวตายกันเพราะมันฉลาดมันรู้ว่าค่าตัวตายนี่มันทุกข์ยิ่งกว่าการที่ไม่ได้เงินได้ทองม า, เ, าเพราะมันรู้จักอดทำใจถ้าไม่ได้มีเงินใช้ก็อดเอายอมอดดีกว่ายอมตายาแต่คนที่ไม่เคยอดนี่ไม่รู้จักอดไม่มีความอดทน พอเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดแผนข้าวของเงินทองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รู้ว่าวิทย์ฆ่าตัวตายดีกว่าเราคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหานี้มันก็จบใช่แต่มันไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัว เพราะการฆ่านี้ไม่ว่าจะฆ่ากายนี้เป็นบาปจิตใจนี้จะต้องนรกเนี่ยจิตใจจะทุกมากยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตา ย, ยความทุกข์ที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนนี่มันไม่ร้ายก่าเท่ากับความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าตัวตา ย, ยแต่นี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ฉลาดหรือไม่ได้พบกับคนฉลาด ไม่ได้ยินเรื่องราวที่เป็นคุนเมือเป็นโทษกับตนเองว่ามีอะไรบ้างก็เลยมักจะแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างปัญหาที่รุนแรงกว่าปัญหาที่ตนเองแก้โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องของความสุข แบบที่มีทุกข์ตามมาถ้าเป็นอาหารก็มีสารพิษที่จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาถ้าไม่อยากเจอโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าไปบริภโภคอาหารเหล่านั้นสมัยนี้เขาจึงมีร้านอาหารที่ขายอาหารปัาจากสารพิษตา่างๆ ปลอดสักผักปลอดสารพิษใช่ไหมเขามีร้านขายพวกของอาหารที่เราซื้อมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นโรคภัยแค่เจ็บในภายหลัง อ, อันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่ปราศจากความทุกข์ก็มีอยู่ในโลกนี้แต่คนมักจะไม่รู้กัน ถ้าไม่เข้าหาคนฉลาดถ้าไม่ได้พบกับคนฉลาดคือพบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนได้ ใ, ใช้ความสุขแบบไม่มีสารพิษไม่มีความทุกข์ติดมา ท่านเหล่านี้จะรู้วิธีที่จะสอนให้พวกเรามีความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันความสุขที่แบบไม่มีความทุกข์นี้ท่านเรียกว่าบุญนี่เอง เ, เวลาเรามาวัดเรามักจะพูดว่าเรามาทำบุญแต่บางทีเราก็ยังอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าบุญว่าแปลว่าอะไรกันแนะ่ คำว่าบุญก็คือความสุขใจที่ได้รับจากการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขใจการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขใจนี้นี่อยู่สิบชนิดด้วยกันเราเรียกว่าบุญสิบชนิดสร้างความสุขใจสิบชนิดด้วยกันถ้าเป็นอาหารก็มีอาหารสิบชนิด ที่เราบริโภคอย่างปลอดภัยผักปลอดสารพิษน้ําดื่มสะอาดเห็นไหมเวลาเราซื้อน้ํามาดื่มนี่เขามักจะโฆษณาว่าเป็นน้ําดื่มที่สะอาดปราศจากสารพิษต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันบุญสิบชนิดนี้ก็เป็นเหมือนอาหารสิบชนิดที่เราบริโภคกันเราสามารถเลือก ทำบุญชนิดต่างๆตามที่เราต้องการได้ทำแล้วก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดใดในสิบชนิดนี้ทำแล้วจะมีความสุขแล้วก็รับประกันว่าจะไม่มีความทุกข์ตามมาบุญสิบประการ น, นี้มีข้อที่หนึ่งก็คือทานการทำทาน คำว่าทานก็แปลว่าให้การให้สิ่งของต่างๆให้แก่ผู้อื่นบางทีเรามีของมากเกินไปมีของเหลือกินเหลือใช้แล้วเราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนเช่นตอนนี้แม้ที่มีน้ำท่วมในทางภาคอีสานคนที่มีเงินพอที่จะช่วยเหลือกัน เขาก็รีบทำบุญกันบริจาคเงินไปมากน้อยตามกำลังไม่มีใครบังคับนะจะทําบาทหนึ่งก็ได้สิบบาทก็ได้ร้อยบาทพันบาทก็ได้เพราะแต่ละคนนี้มีเงินทองมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขจากการทําบุญได้ นี่ก็เรียกว่าทานถ้าให้ข้าวของเงินทองเราก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีข้าวของเงินทองที่มากกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้ไปก็เอาไปไม่ได้เราเอามาทำบุญกันดีกว่า เพราะบุญนอกจากที่เราได้รับในปัจจุบันนี้แล้วมันยังจะติดไปกับใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด้วยเนีบุญนี้เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเสเบียงของจิตใจที่เราใช้บริโภคเพื่อให้เกิดความสุขใจทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว บุญที่เราบริบุญที่เราทานี่มันก็ยังไม่หมดถ้าเราทำมากมากมันก็เหมือนกับเงินทองถ้าเรามีมากถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้ทุกวันทุกวันมันก็ยังมีเหลือใช้อยู่บุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำมากมากทำบ่อยๆมันก็จะมีเหลือสะสมไว้ในใจของพวกเราพอร่างกายเราตายไป บุญที่เหลือสะสมอยู่ในใจก็จะเป็นที่พึ่งของใจต่อไปเป็นอาหารเป็นทรัพย์ภายในอยเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้โยมดวงวิญญาณที่มีบุญสะสมมากก็เรียกว่าเทวดานี่เองนี่คือความสุขที่เกิดจากการทำทาน ทำแล้วรับประกันไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีทุกข์ตามมาเช่นเวลาเงินหมดไม่มีเงินทาบุญจะไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับเวลาเงินเงินหมดแล้วไม่ได้เที่ยวนี่มันทุกข์เนีค่าตัวตายนี่ใช่ไมเพราะไม่มีเงินใช้เที่ยวกินใช้ดื่มใช้หาความสุขต่างๆพอเงินหมดก็เลยค่าตัวตาย แต่เวลาทำบุญแล้วเงินหมดนี้ไม่ฆ่าตัวตายนับประกันได้ไม่ไม่มีเงินทำก็ไม่ทำเท่านั้นเองไม่เดือดร้อนอันนี้ตัวอย่างการหาความสุขแบบไม่มีพิษมีภัยไม่มีทุกข์ตามมาของศาสนาของพระพุทธศาสนามีอยู่สิบชนิดด้วยกัน ชนิดแรกนี่เราเรียกว่าทานแปบลบว่าการให้การให้นี้ก็มีหลายแบบด้วยไม่ใช่เฉพาะจะต้องให้ข้าวของเงินทองเท่านั้นถ้าสมมุติเราเป็นขอทานเราก็ยังให้ได้เนี่ยพระนี้ก็เป็นขอทา น, นพระมีอะไรให้ญาติโยมก็มีธรรมะให้ธรรมะเนี่ยทุกวันญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมกัน เราไม่มีข้าวของเงินทองให้กับญาติโยมแต่สิ่งที่เรามีก็คือธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราก็เอามาแจกจ่ายให้กับญาติโยมหรือไขก็ได้ที่สนใจนี่ก็เป็นการทําทานอีกอย่างหนึง่งอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมทานแล้วก็ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้อะไรก็ไม่ดีไม่เลิศไม่ประเสริฐเท่ากับการให้ธรรมะคำความรู้ทางธรรมความรู้ที่จะปลดเบื้องความทุกข์ใจต่างๆนี้ต้องอาศัยความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกนี้ปลดเปื้องความทุกข์ไม่ได้นอกจากปลดเบื้องไม่ได้แล้วยังไปสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีก เช่นมีความรู้ไปทำมาหากินได้เงินทองมาก็ใช้เงินทองอย่างสนุกสนานพอตกงานไม่มีงานทำก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจนทนไม่ไหวจ น, จนถึงต้องจนถึงต้องกับข่าตัวตายไป อ, อันนี้ความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ และกลับไปเพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีมากขึ้นอีกแต่ความรู้ทางธรรมนี้จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นถ้าให้ธรรมะได้นี่เป็นการให้ที่มีคุณค่ากว่าการให้เข้าของเงินทองอเพราะเข้าของเงินทองนี่ไปบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายได้แต่บรรเทาความทุกข์ ทางใจไม่ไดนะ้ต่างกันตรงนี้นะความทุกข์ทางใจนี้ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องกำจัดถ้าเป็นข้าวของเงินทองนี่กำจัดได้เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายนะมีนี่ก็ชนิดที่สองธรรมทานยังมีชนิดที่สามคือวิทยาทาน เราอาจจะไม่มีข้าวของเงินทองมากเช่นมีอาชีพ เ, เป็นครูรายได้ไม่ล่าไม่รวยอพอเลี้ยงชีพตนเองได้แต่จะให้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้ข้าวของเงินทองคนอื่นนี่อาจจะไม่มีกำลังพอแต่ก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยการให้ความรู้ให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นเช่นเวลา นอกเรียนเวลาไม่ต้องไปสอนที่โรงเรียนเช่นวันเสาร์วันทิต์วันหยุดถ้าอยากจะทำบุญอยากจะมีความสุข mm hmm. ก็สามารถสอนพิเศษให้กับเด็กยากจนได้เด็กที่อยากจะเรียนพิเศษแต่ไม่มีค่าเล่าเรียนก็สอนฟรีไม่คิดเงินทองให้ความรู้เป็ น, ปนาธรรมบัญาทานอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่ง เป็นการทำทานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าวิทยาทานนี้ยกตัวอย่างของทานชนิดต่างๆที่เราสามารถทำเพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นมาได้บุญชนิดที่สองความสุขชนิดที่สองคือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล เวลารักษาศีลกับเวลาไม่รักษาศีลนี่เราจะเห็นว่ามันมีความต่างกันเวลาทำบาปกับเวลาไม่ทำบาปนี่ความรู้สึกจะต่างกันเวลาทำบาปแล้วใจมักจะไม่สบายเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาลองไปรักทรัพย์ของใครเขาดูแล้วดูว่าจะสบายใจไหมไปโกหกหลอกลวง ช่อโกงหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีเป็นการฆ่าแบบไม่ไม่เป็นบาปก็ยังไม่สบายใจอย่างบางคนขับรถแล้วถูกมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถก็ชนสุนัขตายไปการฆ่าแบบนี้ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างนี้ไม่เป็นบาปพ่อใจไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่บางทีก็ยังรู้สึกไม่สบายใจได้นี่คือการมีศีลกับการไม่มีศีลการทําบาปกับการไม่ทําบาปนี่จะทำให้เรามีความรู้สึกต่างกัน ไม่ทําบาปแล้วใจจะสบายทําบาปแล้วใจจะไม่สบายเหมือนกับมีแผลเป็นเหมือนววสันหนังหวัดเนี่ยเวลามีนกมีกามามามากัดที่ผิวก็จะเจ็บปวดเนียแต่ถ้าไม่มีแผลกัดยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดก่นที่ทําบาปทําอะไรผิดนี่ เวลาเจอคนอื่นนี้บางทีจะรู้สึกหวาดกลัวว่าเขารู้ว่าเราทำบาปหรือเปล่า uh huh. เช่นคนที่ไปทำผิดกฎหมาย uh huh. เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาหานี่ใจนี้ไม่สบายเลย uh huh. ทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าเราทำผิดกฎหมาย uh huh. เขาอาจจะมาถามอะไรบางอย่างบางเรื่อง uh huh. แต่พอเห็นเขาเดินเข้ามาคิดว่าเขาจะมาจับเราเลยเพราะว่าเรามีแผลเราทําผิดมันก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความทุกข์ใจขึ้นมาในเคยวิธีหาความสุขจากการไม่ทําบาปละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปลดเดิมสุรายาเมาที่เป็นอบายามุกและอบายามุกอย่างอื่นคือเล่นการพ น, นันการเที่ยวเตรความเกลียดคา้านการคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเสีอบายามุกไปต่อไปก็เงินทองก็จะไม่พอใช้ ก็จะต้องไปทำบาปกันนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ต่อคนที่เสพอบายามุขเป็นอาชีพนี้มันจะไม่มีวันที่จะไปหาทำงานทำการแบบผู้แบบสุดจริตได้ถ้าขาดแคลนเงินทองก็ต้องไปทาบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดงั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีความสบายใจ ก็อย่าไปทำบาปกันอย่าไปเสพอบายมุกกันนะแล้วรับรองได้ว่าใจจะมีความสุขเจอใครก็ไม่รู้สึกหวาดหวัน่นหวาดกลัวไม่กลัวว่าใครเขาจะรู้ว่าเราทำบาปหรือไม่ทำผิดหรือไม่เพราะเราไม่ได้ทาอะไรผิดใครจะมากล่าวร้ายอย่างไรเราก็ตอบโต้ไปได้อย่างเต็มปากใครจะมาใส่ร้ายอย่างไรมันก็ใส่ไม่ได้ ในเมื่อความจริงมันไม่มีใจจะไม่หวั่นไหวต่อการขอลหารนินทาต่อการกล่าวร้ายจากผู้อื่นนี่คือความสุขอีกแบบหนึ่งชนิดที่สองความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลจะทำให้ใจมีความสุขสบายใจความสุขชนิดที่สาม คือความสุขที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการมาทำจิตใจให้มีความสุขหรือให้เข้ามาหาความสุขภายในใจใจของพวกเราทุกคนนี้มีความสุขอันยิ่งใหญ่อันมหาศาลอยู่ในใจของพวกเราเองแต่เนื่องจากโมหะอาวิชชา คือความหลงความไม่รู้ความจริงมันทำให้เราไม่รู้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่เนื้อกับความสุขทั้งปวงนี้อยู่ในใจของพวกเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่การไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้อยู่ที่การไปเป็นประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ที่การไป ได้รับเหรียญรางวัลจากการเล่นกีฬาชนิดต่างๆเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมหรือรับรางวัลอะไรต่างๆที่เขามีการแจกมีการให้กันความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้สู้กับความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไม่ได้ถ้าเราเข้าไปถึงความสุขกันนั้น เรามีความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในตัวของเราโมหะคือความหลงก็เลยเห็นกลับตาละปัดกลับไปเห็นว่าความสุขอยู่ข้างนอกยังไปหาความสุขกันแล้วกลายเป็นต้องมาล่องหม่มล้องไห้มาฆ่าตัวตายกันเพราะว่าเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นทุกว่าเป็นสุขนั่นเองเนี่ยเี่คนฉลาดนี้คนที่มีความรู้ที่แท้จริงนี้จะรู้ว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่หากันนี้่มือนเป็นความทุกข์เนียเพราะเขามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเี่ย คนที่หาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกล็ดลดนี้ล่องห่มล่องห้กันทุกคนทุกท้ทรมานใจกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยต้องมีด้วยกันทุกคนแต่เพราะว่าโมหะความหลงมันหลอกให้ไปคิดว่าเป็นการหาความสุขนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริง ที่เลิอที่วิเศษนี้มีอยู่ในตัวของตนเองมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาขุดค้นพบความสุขอันนี้แล้วก็เลยมาบอกพวกเราว่าหยุดหาความสุขจากข้างนอกกันเถิดกลับเข้ามาหาความสุขภายในใจเราดีกว่าด้วยการภาวนาเนี่ย การภาวนาก็คือการกลับเข้ามาหาความสุขภายในใจของเราผู้ที่จะภาวนาได้ก็ต้องหยุดออกไปข้างนอกหยุดไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเคยจะต้องถือศีลแปดกันถ้าอยากจะภาวนาให้เกิดผลกันมาต้องไม่ส่งใจออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ หรือไปหาลาบยศสรรเสริญต่างๆต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้ถ้าไม่หยุดมันก็เหมือนกับขับรถไปในทิศ ท, ทางที่ผิดถ้าอยากจะกลับรถก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแล้วค่อยยู turn, เทิร์นเลี้ยวกับไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่เกิดจากการภาวนาในเบื้องต้นเราต้องหยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพักกันอย่างที่เราเห็นญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพวกนี้เขาขอหยุดช่วงคราวถึงแม้ว่าไม่หยุดถาวรก็หยุดเป็นช่วงๆไปช่วงไหนมีเวลามีความกําลังที่จะ สู้กับความอยากหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็มาถือศีลแปดกันแล้วก็มาภาวนากันเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสักพักว่าตกหนักไม่หนักอ ย, ยเยน็นเย็นอาจจะทดลองใจดูดูว่าใจหนักหรือใจเบาใจเบาพอโดน ฝนทั้งเม็ดสองเม็ดก็รีบวิ่งหนีกันแล้วทำไมเวลาพระปะผมน้ำมนต์ไม่หนีกันยอมเปียกทั้งตัวทำไมเวลาเล่นสงการกันนี้ไม่ยอมหนีพอ เ, เจอเม็ดฝนทั้งเม็ดสองเม็ดนีด้ตั้งท่าจะโกยนะไม่ห้ามนะอยากจะขยับขยายก็ได้แต่กลัวว่ามันจะไม่ตกมาก ก็เลยลองนั่งไปสักพักดูก่อนคิดว่าถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ค่อยลุกไปคิดว่าตอนนี้มาพรมน้ำมนต์กันก็แล้วกันเทวดามาโปรดมาพรมน้ำมนต์ให้นี่คือเรื่องภาวนาคือการเข้ามาหาความสุขในตัวเราที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เพราะว่ามันจะไปกับเราทุกแห่งทุกคนนะความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเนี่เราเอาติดตัวไปได้แต่ความสุขจากข้างนอกนี้ออกไปไม่ได้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วยังไม่ตายก็บางทีก็ไปไม่ได้บางทีต้องย้ายที่อยู่นี่ บางทีก็เอาสามีภรรยาไปไม่ได้สามีต้องสามีภรรยาต้องอยู่อีกที่หนึ่งทํางานเราต้องไปทํางานอีกที่หนึ่งอย่างนี้ก็เอาไปไม่ได้ละแต่ความสุขภายในใจของเรานี่เราเอาไปได้ทุกแห่งทุกคนนี่คือหรือแม้แต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ยังเอาไปได้อยู่เก็เป็นบุญนะ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลซู้บุญที่เกิดจากการภาวนาไม่ได้บุญที่เกิดจากการภาวนานี้ถือว่าเป็นบุญระดับของมหาเศรษฐีเป็นความสุขของระดับมหาเศรษฐีบุญที่เกิดจากการทำทานจากการรักษาศีลนี่ อาจจะเปรียบว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบุญหรือเป็นความสุขของคนธรรมดาสามัญบุญที่เกิดจากการทำทานนี่อาจจะเป็นความสุขแบบขอทานขอทานเวลาเขาได้เงินมาสักร้อยสองร้อยเขาก็ดีใจมีความสุขส่วนสีนี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่ ฐานะปานกลางพอได้สักหมื่นสองหมื่นก็ดีใจแต่ถ้าเป็นบุญหรือเป็นความสุขหรือเป็นเงินของระดับมหาเศรษฐีนี่เขาต้องล้านสองล้านขึ้นไปเขาถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขอันนี้ก็เหมือนกันเวลาภาวนานี่จะได้ความสุขมากที่สุดดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุข แบบที่ไม่มีพิษไม่มีภัย แ, แบบที่จะเป็นของเราไปตลอดด้วยบุญที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบได้นี้จะอยู่กับใจไปตลอด้ะไม่มีวันจากใจไปจะเป็นความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ได้เสพได้สัมผัสกัน ด้วยการบาเพ็ญภาวนานี้เองตอนนี้ถ้าจะมาแรงแล้วเดี๋ยวพักก่อนดีไหมเราจะฟังต่อก็ไม่ว่า อ, อยู่กับธรรมชาติก็ต้องปรับตัวไปกับธรรมชาตนะิการทำบุญการให้การให้ความสุขกับเรา ชนิดที่สามเรียกว่าภาวนาเราจะภาวนาได้มีเวลาภาวนาเราก็ต้องมีเวลาการจะทําให้เรามีเวลาเราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดศีลแปดนี้จะทําให้เราห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันออ ศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอบ布ร拉รมจาริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามก็ไม่ร่วมหลับนอนกันไม่รับประทานอาหารตามความอยากความต้องการไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะได้มีเวลามาภาวนากัน ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทงิงหรือไปลงมหอรถศพต่างๆ น, นี่คือเรื่องของการจัดสรรเวลาให้กับการมาภาวนาพอเราไม่ต้องไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเราก็จะมีเวลามาฝึกทำใจให้สงบการภาวนานี้มีสองระดับ ระดับชั่วคราวกับระดับถาวรการทำใจให้สงบระดับแรกแบบชั่วคราวเราเรียกว่าสมาธิคือการควบคุมความคิดทำจิตใจให้สงบไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวความอยากที่จะไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดขึ้นมา เอเกิดขึ้นมาแล้วก็จะห้ามใจไม่อยู่ก็จะไปเสบรูปเสียง ก, กลิ่นรสแทนที่จะไปทำจิตใจให้สงบจึงจาเป็นที่จะต้องคอยควบคุมความคิดสิ่งที่จะควบคุมความคิดได้ก็คือสติการที่จะมีสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทำให้ มีสติมายับยั้งความคิดต่างๆกรรมฐานที่เราใช้กันทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเนี่ยเรียกว่าเป็นพุทธานุสติเป็นว่าเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งเป็นวิธีเจริญสติเป็นวิธีที่จะมาหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราลองนั่งเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเดู ความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะหายไปใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้านั่งหลับตาได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งเต็มที่พอนิ่งใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกั่ความสุขทั้งปวง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนยวกวบความสงบไม่มีแต่ความสุขที่ได้จากการเจริญสติการเจริญกรรมฐานนี้จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวสุขในขณะที่จิตสงบแต่พอพอสติอ่อนกำลังลงหมดกำลัง ความสงบก็จะหายไปจิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งใหม่แล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทาให้จิตแบบสงบอย่างถาวรก็ต้องใช้วิธีที่สองหลังจากที่ได้วิธีที่หนึ่งแล้วถ้ายังไม่ได้วิธีที่หนึ่งจะไม่มีกำลังที่จะไปใช่วิธีที่สองคือไม่มีสติพอที่จะวคบวบคุมความคิดได้นั่นเอง จึงต้องสร้างสติขึ้นมาในขั้นที่หนึ่งก่อนเพื่อให้หยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้แล้วพอออกจากความสงบมาพอจิตเริ่มคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นนนก็ใช้ใช้สติควบคุมกับกำกับด้วยปัญญาปัญญาจะสอนให้ใจเลิกคิดไม่ให้ไปคิดทางรูปเสียงกลิ่นนน วิธีที่จะทําให้ไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องสอนใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์เนี่ยเสพแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเหมือนกับขับรถพอรถพอจะขับไปทางที่เป็นอันตรายเขาก็จะมักมีป้ายปักไว้เตือนคนขับว่าระวังอันตรายทาง ขาดอย่างนี้เป็นต้นเช่นเวลามีฝนตกน้ำป่าไหลทาให้ถนนขาดเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาติดป้ายบอกไว้ว่าอันตรายห้ามไปอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาก็เป็นเหมือนป้ายที่จะมาบอกใจว่าอย่าไปทางรูปเสียงกดลดนะิ่นรสเนี่ยอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามันไม่แน่นอน เวลามีก็มีความสุขแต่เวลาไม่มีแล้วมันจะทุกข์เนี่ยอย่าไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเลิกหาความสุขแบบนี้ดีกว่าอืมอเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหามันดีอทุกครั้งที่อยากจะไปหาความสุขก็บอกว่าเป็นทุกข์นะ่เพอรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าเหมือนกับเวลาที่จะสูบบุหรี่ ก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นโรคมะเร็งปอดน ะ, ะก็จะไม่อยากสุขอันนี้เป็นปัญญาเป็นขั้นที่สองของการภาวนาการแรกเรียกว่าสมถภาวนาทาใจให้นิ่งให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทาใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาดให้เห็นไตลักษณ์นี่เองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสนี่ ที่ใจอยากไปเสพอยากไปสัมผัสอยากจะไปหาความสุขด้วยนี้มันจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาไม่มีมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่ไปเสพมันมันก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจ เหมือนคนที่ไม่เสพไม่ติดบุหรี่ก็จะไม่ทุกข์เวลาไม่มีบุหรี่สุขคนที่ไม่ดื่มสุราไม่ติดสุราเวลาไม่มีสุราดื่มก็ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่เสพลกเสียงกลิ่นรดต่างๆก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขภายในใจให้เสพคือความสงบนี้พอเลิกขอหยุดความอยากได้ทีนี้ ความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็จะไม่หายไปมันก็จะอยู่กับใจไปตลอดไปอย่างถาวร น, นี่แหละเป็นความสุขการหาความสุขระดับที่สูงสุดระดับที่ดีที่สุดก็คือการภาวนาการจะภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาต้องไปถือศีลแปดขึ้นไป ในสิ้นแก็ศิลนสศบสิ้นสองร้ี่สิบ็เข้อเนี่ยเป็นวิธีที่จะทําให้มีเวลาที่จะมาภาวนามาทําจิตใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดเพื่อที่จะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิที่เป็นความสุขชั่วคราวให้กลายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปนอกจาก การภาวนาการหาความสุขแบบภาวนาแล้วยังมีความสุขแบบที่สีที่เราหาได้แต่จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆคือเวลาเราทำบุญเรามีบุญนี้เราสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่งลับไปแล้วได้การอุทิศบุญนี่ก็เป็นการทำให้เรามีความสุขอีกชั้นหนึ่งได้ความสุขจากการทำบุญแล้วยังได้ความสุขจากการอุทิศบุญด้วย ถ้าไม่อุทิศบุญก็จะไม่ได้ความสุขอ น, นี้เช่นสมมติเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อุทิศบุญเราก็ได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานแต่ถ้าเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยคนที่เรารักเคารพที่จากเราไปกลัวว่าเขาจะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็อยากจะส่งบุญไปช่วยเหลือเขา พอเราอุทิศบุญให้เขาแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนะี่ยเป็นความสุขสองชั้นหรือชั้นที่สองชั้นแรกเกิดจากการทําทานอ่าขั้นชั้นที่สองเกิดจากอุทิศบุญที่ได้จากการทําทานคือแบ่งบุญบุญนี้เราส่งไปไม่ได้หมดนะส่งไปได้เป็นบางส่วนบุญส่วนใหญ่ยังอยู่กับเราอยู่อ่นี่คือเรื่องของ บุญชนิดที่สที่สถ้าอยากจะมีความสุขให้ทำบุญแบบนี้ให้หาความสุขแบบนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยความสุขแบบที่ห้าบุญแบบที่หก็คือการอนุโมทนาบุญเวลาเห็นใครเขาทำบุญก็ควรจะอนุโมทนาดีใจมีความสุขไปกับเขาดีกว่าไปมีความทุกข์ บางคนนี้ไม่ชอบทำบุญพอเห็นใครทำบุญแล้วกลับมีความรู้สึกทุกข์ไปอันนี้แทนที่จะมีความสุขกลับไปทุกข์กับการทำบุญของคนอื่นนี่คนที่ไม่ชอบทำบุญนี้ควรจะหัดอนุโมทนาบุญต่อไปจะได้เห็นคุณประโยชน์ของบุญว่าเวลาทำแล้วมันมีความสุขใจมีบางคนอยู่ครอบครัวเดียวกันนี่ ลูกชอบทำบุญพ่อแม่ไม่ชอบทาบุญก็มีพาลูกไปทำบุญแม่พ่อแม่ก็ไม่สบายใจเราสามารถกาจัดความไม่สบายใจนี้ได้ด้วยการอนุโมทนาบุญไปกับการทำบุญของลูกก็ลูกเขามีความสุขเราอยากให้ลูกเรามีความสุขไม่ใช่เหรอมือเขามีความสุขจากการทำบุญเราก็สาธุไปกับเขายินดีชื่นชมยินดีกับการทาบุญของเขาไป เราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเงินทองก็เป็นของเขาเขาไม่ได้เอาเงินทองของเราไปเสียด้วยซ้ําไปหรือถ้าเขาเอาเงินทองเราไปถ้าเร า, เอาอนุโมทนาเราก็ยิ่งได้บุญใหญ่เพราะเราได้ทําบุญร่วมกับเขาด้วยนี่คือเรื่องของการอนุโมทนาบุญ เพื่อกำจัดความไม่สบายใจเวลาเห็นคนอื่นที่เขาทำบุญแล้วเราไม่ชอบทำบุญเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายเงินบ้างเสียดายเวลาบ้างทำแล้วได้อะไรคนที่ไม่ชอบทำบุญเพราะเขาไม่รู้ว่าทำบุญนี้ได้ได้ความสุขอย่างไรเขาได้ประโยชน์อย่างไรเขาไม่รู้แต่ถ้าเขาได้มาศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเขาจะ เห็นคุณค่าของการทำบุญแล้วเขาจะอนุโมทนาบุญทุกครั้งเวลาที่เห็นใครทำบุญถึงแม้ตนเองไม่ได้ทำบุญก็อย่างน้อยได้ร่วมอนุโมทนาก็ได้ได้ความสุขไปกับการทำบุญของเขาเนนี่คือบุญชนิดที่ห้าบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นบุญชนิดที่หกก็คือบุญที่เกิดจากการ เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนะคนที่เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่มักจะเข้ากับคนอื่นได้คบค้าสมาคมกับคนได้ทุกระดับนะถ้าไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อวดเก่งอวดดีไปอยู่กับใครมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความมีสัมมาคารวะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนรักคนชอบจะไม่มีใครรังเกียจ ก็จะทำให้มีความสุขว่าเรานี่คบกับคนได้ทุกชนิดเนี่ยคนสูงคนต่ำยังไงเราก็พยายามทำตัวให้เราต่ำกว่าเขาก็แล้วกันพอเราทำตัวให้เราต่ำกว่าเขาคนอื่นเขาก็รู้สึกสบายใจแต่ถ้าเราไปทำตัวว่าเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาสูงกว่าเขารวยกว่เาเขาก็ไม่สบายใจนะเขาก็ไม่อยากจะคบกับเราเราก็จะไม่มีมิตรไม่มีเพื่อน จะอยู่แบบเหงาว่าเวเพราะคบกับใครไม่ได้คบกับใครคนเขาก็ไม่อยากจะคบด้วยเนี่แต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะนี่อไปอยู่กับใครที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบพอทําให้คนอื่นเขารู้สึกเขาดีขึ้นเงเขาดีกว่าเราพอเขารู้สึกเขาดีกับเราเขาก็มีความสุขนะเขารวยกวับเราเขาก็มีความสุขละ นี่คือวิธีทําความสุขให้กับตัวเราและกับคนอื่นด้วยการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคนอื่นเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเพราะเขาไม่รังเกียจเราเขารักเราเขาชอบเราแล้วดีไม่ดีเขามีอะไรเขาก็จะเมตตาให้เราได้มีข้าวมีของมีเงินมีทองถ้าเขาเห็นว่าเราจนกว่าเขาเขาอาจจะสงเคราะห์เราก็ได้ นี่คือบุญข้อที่เจ็ดแล้วมัว้งหกเหรอหกข้อที่หกบุญข้อที่เจ็ดก็คือการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเราอาจจะไม่มีเงินทองไม่มีความรู้แต่เรามีเวลาว่างเรามีร่างกายที่เราสามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้เช่นบางท่านมาวัดมาที่นี่ มาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้สังคมคนอื่นอาจจะไม่มีเวลาล้างส้วมใช้อย่างเดียวแล้วก็เลยปล่อยให้ส้วมมันสกรปรกคนนี้เขามีเวลาว่างเขาก็จะมาคอยทำความสะอาดล้างส้วมให้ทำงานสาธารณกุศลต่างๆเช่นไปทำกับร่วมกับตันยูปอเต็กตึงเนี่ย ไปช่วยเช่นตอนนี้มีการต้องขนข้าวของไปบรรเทาทุกผู้ทุกยากเดือดร้อนก็ต้องมีอาสาสมัครที่เรียกว่าจิตอาสาเนี่ยเนี่ก็เรียกว่าบุญชนิดนี้พวกที่ทําจิตอาสานี้ก็คือการทําการหาความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญข้อที่เจ็บนะบุญข้อที่แปดก็คือการที่มี สัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะก่อนที่เกิดมาแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญคนมีวาสนาคนโชคดีเพราะคนที่เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทำบุญแล้วมีความสุขทำบาปล้วมีความทุกข์เขาก็จะทำตามที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องเขาก็จะไม่ทำบาปเพราะเขาทำบาปแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจ แต่เวลาเขาทำบุญแล้วเขารู้สึกมีความสุขใจอันนี้คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นการหาความสุขให้กับใจการทำบาปนี่เป็นการหาความทุกข์ให้กับใจเขาก็จะทำทานเขาก็จะรักษาศีลเขาก็จะภาวนานะทาบุญชนิดต่างๆอันนี้พ้น นี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องไปศึกษาธรรมะกับผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองก็ต้องไปศึกษากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ด้วยการฟังธรรมอย่างที่เราฟังกันตอนนี้การฟังธรรมก็เป็นการทำให้เรามีความเห็นท <uz is> ี่ถูกต้องและทาให้เรามีความสุขใจ เวลาฟังธรรมแล้วจิตใจจะฉลาดขึ้นจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็จะทำให้มีความมั่นใจต่อการกระทำต่างๆมั่นใจในการทำบุญมั่นใจต่อการไม่กระทำบาปเพราะมีความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าทำบุญแล้วเป็นการให้ความสุขกับตนเองทำบาปแล้วจะทำให้มีความทุกข์กับตนเอง เราก็ต้องมาฟังธรรมกันอันนี้ก็เป็นวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่เก้านะคือการคือการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งเนดีกว่าการไปฟังละครฟังการบ้านการเมืองง่ล้วบางทีก็มีอารมณ์ตามกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง แล้วก็ทำให้เราโงโ้อ ง, งงายมากขึ้นไปหลงไปตามกับเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังอาจจะถูกยุยอยาให้เป็นคนกฎเกลียดคนจงนักจงชังคนนั่นคนนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วนี้จะมีแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับจิตใจฟังแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความสบายใจ มีความเห็นที่ถูกต้องอนนี้เป็นบุญชนิดที่เก้าคือการฟังธรรมถ้าอยากจะมีความสุขไ ม, ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองเปิดธรรมะฟังดูอ่านหนังสือธรรมะไปรับรองได้ว่าเดี๋ยวใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขเพราะการฟังเทศฟังธรรมด้วยสติก็เป็นเหมือนการภาวนาในระดับหนึ่งการทำใจให้สงบเพราะ พอจิตใจคิดอยู่กับเรื่องธรรมะใจก็จะเย็นลงธรรมะนี่เป็นของเย็นเป็นเหมือนน้ําแข็งเวลาเราอยากจะกินของเย็นนี่เราต้องหาน้ําแข็งใส่เข้าไปในในน้าที่เราจะดืม่มพอใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วดื่มน้ำมารู้สึกเย็นสบายอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะนี่เป็นเหมือนน้ําแข็งจะทําทให้ใจที่ร้อนนี่เย็นลงได้นะ ทำให้ใจที่ไม่มีความสุขกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาประการสุดท้ายบุญที่เราสามารถทำกันได้ก็คือธรรมทานนี่เองซึ่งอยู่ในกลุ่มทานถ้าเราเห็นว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์เราทำให้จิตใจเราเย็นเราสบายมีความสุขทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เรามีอยู่นี้หายไป เราก็อยากจะแบ่งธรรมะนี้ให้กับคนอื่นถ้าเป็นหนังสือเราก็อาจจะมาพิมพ์หนังสือเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้กับคนที่เขายัางไม่ได้มีหนังสือเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานธรรมทานอย่างนี้ก็ทาได้ไหลายรูปหลายรูปแบบทาหนังสือธรรมะหรือว่าทาซีดีทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะ เจนญาติโยมบงคนก็มาช่วยถ่ายทอดสดนี่การมาช่วยถ่ายทอดสดก็เป็นเหมือนธรรมทานช่วยทําช่วยเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นทําแล้วจะมีความสุขถึงแม้จะไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินตอบแทนก็ไม่เดือดร้อนว่าเงินตอบแทนนี้สู้ความสุขที่ได้รับจากการทําบุญไม่ได้นนี่แหละคือเรื่องของการหาความสุขทางพระพุทธศาสนา มีสิบวิธีด้วยกันที่รับประกันว่าทำแล้วจะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาจากลาบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่มันเสื่อมเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเนี่ยเวลาถูกนินทาเวลาที่ไม่ได้เที่ยวนี่จะมีความทุกข์ตามมาทันที แต่ถ้าไม่ควบคุมจิตใจไว้ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้ฉนั้นพยายามเลิกหาความสุขแบบนี้กันเถิดเพราะมันจะพาไปสู่ความทุกข์ความหายนะพาไปสู่การเวียนว่าตายเกิดแบบไม่มีวันจบวันสิน้นแต่ถ้ามาทมําบุญตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทํานี้จะพาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ จะพาให้เราไปพบกับความสุขที่ถาวรที่จะไม่จากเราไปต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแต่ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลัง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 สัพพโรโควินาถสัตุมัเตภวตวันตรายยุสุขีทีขายุโกภวพิวาทานศีลิปสานิจจังวุทธาปะจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราปิดใหม่แนละ้วพอเลิกประชมุมแล้วก็เถอว่ายุติการถามถ้าจะถามก็ต้องกลับมาถามคราวหน้า หรือไม่เช่นนั้นถ้าจะถามเขานี้ก็ถามตอนที่เรากำลัง เ, เปิดโอกาสให้ถามกันวันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่คะทาง Facebook 210คนค่ะทาง y o ย t u b บ363คนทางวิทยวออนไลน์17คนรับฟังบนเขา72คนรวมทั้งหมด662คนค่ะโอเค วันนี้มีใครอยากจะถามไหมวันนี้อยากจะถามว่าวิธีการเห็นตามจริงที่ถูกต้องค่ะหนูค้นหามานานอยากก็ทุกไม่อยากก็ทุกก็เฉยๆแต่อย่าไปอยากไม่อยากอยู่กลางอเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆธรรมดาเรามักจะไม่เฉย เห็นอะไรที่เราชอบก็อยากได้เห็นอะไรที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เลยทำให้เราทุกข์ความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์เราก็ต้องมาฝึกสอนใจให้เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปชอบอย่าไปเกลียดอย่าไปรักอย่าไปชังวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่รักไม่ชังก็ต้องนั่งสมาธิ อ้าใจเราสงบนิ่งแล้วใจเราจะเฉยเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรที่มารับรู้มาสัมผัสด้วยนี่คือวิธีที่จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางดีก็ปล่อยเข้าไปชั่วก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปเป็นเหมือนจริงหลีดพอใครมา มาปั่นหัวหน่อยก็ร้องคิดกิดกิดกิดเนี่ยวเราพอเห็นอะไรหน่อยก็ร้องคิดกิดกันขึ้นมาเห็นอะไรชอบก็เ hey! ฮกันใหญ่เห็นอะไรไม่ชอบก็โวยกันใหญ่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะเฉยเฉยไปฝึกสมาธิฝึกสติก่อนต้องมีพุทโธพุทโธรวบคุมจิตให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ลอยไปกับเรื่องราวต่างๆ แล้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งแล้วก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาถ้านั่งบ่อยๆนั่งมากๆต่อไปอุเบกขามันจะออกมันจะตามเรามาเวลาออกจากสมาธิมาแต่ถ้ายังนั่งน้อยอยู่พอจากสมาธิมาปั๊บอุเบกขาก็จะหายไปเหมือนกับแช่น้ําในตู้เย็นถ้าแช่เดี๋ยวเดียวพอ อ, ออกมาปั๊บเดียวมันก็หายเย็นนะแต่ถ้าแช่นในช่องแข็งนี่แช่ไวนน้นาน พอเอามาจากตู้เย็นนะั้นมันก็ยังเย็นยังแข็งอยู่นานอุเบกขาเป็นอย่างนี้ได้จากการฝึกสมาธิฝึกมากเท่าไหร่หยิตสงบได้มากได้นานเท่าไหร่เวลาออกจากสมาธิมาจิตจะเย็นจะเฉยได้มากได้นานด้วยพอหมดก็กลับเข้าไปแช่ใหม่เข้าไปสมาธิใหม่ ต่อไปจิตของเราจะเย็นตลอดเวลาไม่วุ่นวายไม่อะไรกับเรื่องราวต่างๆยิ่งถ้ามีปัญญาแล้วยิ่งปล่อยวางได้ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นของมันอย่างนี้โลกมันก็มีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงของมันเราอยู่หรือไม่อยู่มันโลกมันก็เป็นอย่างนี้เราไปวุ่นวายกับเขาทำไมเขาเป็นอย่างนี้ก่อนมาตั้งแต่ก่อนเรามาเกิดแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว ไปวุ่นวายกันแล้วได้เลยไม่ได้เลยได้แต่ความวุ่นวายไปกันอยู่ก็วุ่นวายตายก็วุ่นวายฉะนั้นหัดมาทําใจให้สงบกันแล้วก็สอนใจให้ฉลาให้ปล่อยวางว่าเราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แล้วโลกมันเป็นอย่างนี้มีมาตั้งแต่เด็กดําบันแล้วก็จะมีต่อไปต่อให้ทําอะไรใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวมันก็พังไปหมดเห็นไหมดูกําแพงเมืองจีนใหญ่โตขนาดไหน ปีระมิดนี่ใหญ่โตขนาดไหนสร้างกันแล้วเป็นยังไงในที่สุดก็กลายเป็นซากเปล่าหักบ้างไปอย่าไปเหน็ดเหนื่อยกับโลกเลยเรามาเหน็ดเหนื่อยกับกิเลส ข, ของเราดีกว่ามาปราบ ก, กิเลส ข, ของเรามาทําใจของเราให้สงบดีกว่าแล้วใจของเราจะสบายจะไม่แบกโลกอีกต่อไปแต่วันนี้พวกเราแบกโลกกันเนียมันถึงหนัก อ, อกหนักใจนะ แบกคนนั้นแบกบคนนี้แบกบเรื่องนั้นแบกบเรื่องนี้ชอบแบกกันเหลือเกนชาติก่อนคงเคยเป็นกรรมกรยังมื่อก่อ น, รรอนชาตินี้ถึงชาตาิชอบแบกบค <c oughs> ำถามต่อไปเดี๋ยวขอไมโครโฟนกลับมาหน่อยสองให้่ัน ถามจากผู้ฝักถาวบนข่าวคะ่ะหากเรามีโอกาสทำงานด้านการเมืองเพื่อช่วยให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเราควรจะรับหรือไม่เจ้าคะหรือเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับอำนาจใดๆเจ้าค่ะถ้าไม่อยากจะถูกหมาตัวอื่นกัดก็อย่าไปเล่นกับพวกหมาพ อ, อเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกัดกันเพราะนี้คือคือสังคมของสุนัข ถ้าไม่อยากจะถูกสุนัขตัวอื่นกัดก็อย่าไปเข้ากลุ่มของพวกที่เขากัดกันนะพอจะเล่นการเมืองนี่ไม่รู้ความชั่วทั้งหลายที่ไม่เคยโผล่มาไม่รู้มันคนไปขุดคุ้ยโผล่มาประจานนะั้นเต็ไมไปหมดไปบวชดีกว่าถ้าจะเลือกทาประโยชน์บวชนี่ทาประโยชน์ได้มากกว่าทาการเมืองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างประโยชน์ พระคุณของพระเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังยังเป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกอยู่ทุกวันนี้ทำการเมืองเดี๋ยวมันก็จบเห็นไหมพระเจ้าวาสุทำอะไรเสร็จแล้วก็ตายไปมันก็จบไปแล้วแต่ถ้าอยากจะทำประโยชน์อย่างยั่งยืนก็ไปบวช ด, ดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณธัญพรค่ะอาชีพผู้พิพากษาอายการมีโอกาสทำบาปได้ไหมคะเนื่องจากการตัดสินนั้นเป็นไปตามบทกฎหมายก็ถ้าคิดว่ามันเกี่ยวกับการที่จะต้องให้คนอื่นเสียชีวิตมันก็บาปนะถ้าไม่อยากจะทำบาปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะหรือต้องข อ, อทำคดีที่ไม่มีโทษประหารชีวิต อ่าคาดีใดมีมีโทษปานชีวิตก็ขอขอตัวอถ้าทําไม่ได้เขาบอกต้องออกก็ต้องออกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เลือกทำยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงะไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทำเนี่ยท่องสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวิยญาณสละอวิญญาเพื่อให้รักษาชีวิตนให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม คำถามต่อไปจากคุณเบญชาวันค่ะบางครั้งเมื่อฟังธรรมแล้วรู้สึกกระอักกระอว่วนใจสัน่นมือเท้าเย็นอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและจะดับอย่างไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะบางคนเขานั่งแล้วเขาไม่สัน่นนี่มันเป็นเรื่องของแต่ละคนอาจจะเป็นโรคที่แพ้ธรรมะเอพอได้ยินได้เสียงฟังธรรมนะี่มันใจมันสั่นไปหมด เหมือนกับว่าเหมือนกับมีอะไรไปจี้ใจดำอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนนั่งแล้วเขาสงบก็ เ, เย็นก็มีความสุขะบางคนนั่งแล้วก็มีอาการอย่างนี้ก็ต้องไปค้นหาดูในตัวเราว่าเราเป็นอย่างไรผิดปกติจากคนอื่นอย่างไรถึงเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การไม่ควบคุมใจเรา ถ้าควบคุมใจเราได้มีสติมันจะไม่สั่นแต่ถ้านั่งแล้วปล่อยให้มันเหมือนกับปล่อยเด็กไม่ไปคุมเด็กเดี๋ยวเด็กมันก็ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายได้ยังต้องฝึกสติเวลาฟังก็ให้ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ถ้าใจจะมีปฏิกิริยาเพราะบางทีธรรมะที่เข้ามา อาจจะขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเรามันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆเกยมาได้เวลาจะเกิดปฏิกิริยาถ้ามีสติก็คอยควบคุมมันไว้หรือถ้าไม่พอก็ใช้พุโทโธพุโทโธช่วยระ ง, งับมันคำถามต่อไปจากคุณเปียนันค่ะ เราต้องภาวนาะเป็นเวลาอย่างน้อยกี่นาทีจึงจะเป็นบุญเพียงพอที่จะอุทิศให้ญาติผู้ที่เสียชีวิตได้ครับ อ, อ๋อไม่ได้หรอกบุญแบบนี้คุณต้องทำไปแบบแบบนักบวชแบบมืออาชีพถึงจะได้ผลที่จะไปอุทิศบุญได้ถ้าอยากจะอุทิศบุญไปทาใส่บาทดีกว่าเสียเงินร้อยบาทได้ได้บุญเยอะแยอะอุทิศบุญได้เลย มานั่งสมาธิอีกสิบปีไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะผลมันไม่เกิดได้ง่ายผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกาลาวาจยานโยบนี้ได้เพียงแต่ผิวมันเท่านั้นเองยังไม่เข้าไปถึงเนื้อของบุญเพราะนั่งสงบแต่ก็สงบแบบไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองแต่จะสงบแบบนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งอะไรนี่ยาก งั้นอย่าไปถ้าอยากจะอุทิศบุญอย่าไปเอาบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธนะิเพราะว่ามันเราไม่อยู่ในระดับที่เราจะสามารถสร้างบุญในระดับนั้นได้คําถามต่อไปจากคุณหญิงค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมไปสักพักมีอาการคล้ายหายใจไม่ออกหอบหายใจแรงสักพักมีลำแสงพุ่งเข้าที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วขยับไม่ได้ จนเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยในขณะนั้นลูกมีอาการตกใจกลัวและกลัวจะออกจากสมาธิไม่ได้ก็นึกถึงพระอาจารย์ขึ้นมาให้บอกว่ากลับไปดูลมและพุโทโธไปด้วยจนลูกกลับมารู้สึกตัวและมาดูลมหายใจจนรู้สึกขยบมือได้และกลับมาได้ยินเสียงจากภายนอกลูกเลยค่อนข้าง ลูกค่อยลืมตาขึ้นเจ้าค่ะกลับเรียกถามว่าทําไมมีอาการหายใจไม่ออกเหมือนคนขาดอากาศหายใจนะเจ้าคะแล้วมีแสงมาครอบเหมือนเราอยู่อีกโลกไม่มีใครเลยนะคะเวลาจะเข้าสมาธิก็จะหายใจไม่ออกแบบนี้มาสองครั้งแล้วเจ้าค่ะก็นั่งแบบไม่มีสติควบคุมใจไงใจมันผลิตอาการต่างๆเหล่านี้มาหลอกเรามามาสร้างเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เราเข้าสู่ความสงบอ เห็นเราต้องนั่งแบบมีสติต้องอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจเป็นอ น, นขาดถ้าทิ้งเมื่อไหร่แป๊บเดี๋ยวจิตนั้นก็จะสร้างเครื่องกิดขวางขึ้นมาทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปได้งั้นอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธเวลานั่งสมาธิคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิธาคามี พระโสดาบันผู้รักษาสินแปดบริสุทธิ์สินห้าบริสุทธิ์หากบุคคลเหล่านี้ไปทําการสิ่งใดที่เป็นการเอื้อเฟื้อหรือว่าดูแลและรับใช้ผู้อื่นจะทําให้ผู้อื่นได้รับบาปหรือเปล่าคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าเราไปใช้ไหว้วานตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์อันนี้เราบาปแน่นอนใช่ไหมคะและผู้ที่รักษาสินแปดสินห้าบริสุทธิ์จะบาปขนาดไหนคะ รับกวนได้ค่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกการทำบุญมีแต่ได้บุญคนที่ได้รับการช่วยเหลือเขาก็ได้รับประโยชน์เสมอเขาไม่ได้ไปทำบาปเขาอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้านี่ไปทำไปดูแลพระอาพาธมีพระอยู่รูปหนึ่งมีโรคนอนสมอยู่มีแผลมีอะไรเต็มตัวไม่มีพระรูปอื่นมาดูแล อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะเป็นพระที่คนพระลูกอื่นเขาหลังเกียดไม่ชอบพระพุทธเจ้าเห็นเข้าก็เลยบอกพระนอนให้ไปหาน้ําอุ่นมาเอาไปหาผ้ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็มาชําระเช็ดล้างร่างกายของคนที่เจ็บป่วยคนที่พระที่เจ็บป่วยอาบภาษ์แล้วก็ส่งสอนพระบอกว่าเนี่ยพระแต่ละรูปนี้ต้องถือว่าเป็นพี่น้องกัน ไม่มีใครมาดูแลพระได้นอกจากพระด้วยกันถ้าพระด้วยกันไม่ดูแลกันแล้วใครจะมาดูแลพระพระพุทธเจ้าก็เลยต้องตัดว่าถ้าใครอยากจะรับใช้เราดูแลเราก็ให้ไปรับใช้พระที่อาพาแทนจะได้บุญเหมือนกันเพราะว่าพระทุกลูกพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะไปดูแลพระได้ทุกลูก อย่างนั้นผู้อื่นถ้ามีกําลังที่จะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ที่พระที่ไม่มีใครช่วยเหลือดูแลได้ก็ถือว่าได้ได้ดูแลอุปถาค พ, พระพุทธเจ้าโดยตรงฉะนั้นการไม่ว่าใครจะสูงจะต่ำไม่เกี่ยวกับเรื่องทําบุญคนที่สูงกว่าทำบุญช่วยเหลือคนที่ต่ำกว่ามันไม่มันไม่ได้ไปทําให้เกิดการบาปขึ้นมาแต่อย่างใดฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไร นอกจากคนที่ต่ำแล้วอยากจะ เ, เขาเรียกว่าอยากจะทะลึ่งอย่างงี้ไปอย่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นลูกแล้วไปใช้พ่อใช้แม่ให้ทำนูน่นทำนี่อย่างเงี้ยไม่ควรมันไม่บาปแต่มันก็เป็นการที่ไม่รู้จักกะไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ควรจะทำ ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็เราเราไม่ควรที่จะไปสั่งไปใช้เขาให้เขามารับใช้เรายางนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเขาอยากจะมาช่วยเหลือเราเพราะเขาเห็นว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นบุญของเขาเขาไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดพ่อแม่ทำไมต้องมาเลี้ยงลูกอย่างนี้นพ่อแม่เลี้ยงลูกก็บาปสิเพราะพ่อแม่สูงกว่าลูกมันไม่เกี่ยวกันมันมบาปมันม่อยู่แค่สี่ห้าข้อนี้เท่านั้น คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาแต่การกระทําที่ไม่สมไม่ควรก็ไม่ควรอย่าทําแต่ไม่บาปคํำถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะการฟังธรรมมากๆสามารถสามารถบรรลุธรรมได้หรือเปล่าครับถ้าฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้ก็บรรลุได้คํำถาม ต, ต่อไปจากคุณสุปราณีค่ะการโดยจากเลือด ได้บุญไหมคะได้ก็เป็นเหมือนกับวัตถุอย่างหนึ่งเลือดก็เป็นเอ่อเป็นวัตถเุเป็นดินน้ำนมไฟเหมือนกับกระเป๋ารองเท้าก็ทำมาจากดินน้ำนมไฟเหมือนกันคำถามจากคุณปาโมดคะ่ะ คนเราเกิดมาแม้จะรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเองเราใช้กรรมฐานเพื่อเห็นทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยให้เป็นบุญไหมครับก็ทําให้จิตสงบได้ก็เป็นบุญไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นบุญเพราะธรรมดาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะทุกข์แต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาและผู้ที่เจ็บก็ไม่ใช่เรา ผู้ที่เจ็บคือร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราเป็นเหมือนพี่ร่างกายเป็นเหมือนน้องน้องไม่สบายเราก็ช่วยดูแลน้องไปหาอยู่หายาให้น้องไปแต่เราไม่ต้องไปเจ็บแทนน้องเพราะเจ็บมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณโอริสค่ะ ทำไมเราถึงฝันกับทุกวันแล้วฝันมั่วไปหมดฝันเห็นคนไม่รู้จักไม่รู้จักเหตุการณ์ต่างๆเจ้าคะเหตุเกิดจากเหตุใดเจ้าคะควรทำอย่างไรคะพ่อชอบคิดนพอคิดเวลานอนหลับมันก็คิดต่อความคิดที่เราคิดตอนนอนหลับมันก็เป็นความฝันขึ้นมาการพยายามฝึกสติลดความคิดลงอย่าไปคิดมากพุโทโธพุโทโธไปแล้ว ก, ก็ คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดหยุดมันดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปต่อไปนอนหลับก็จะฝันน้อยลงน้อยลงคําถามต่อไปจากคุณไทเกอร์ค่ะถ้าสมมุติว่าไปบวชชีพรามณ์แล้วเราได้เป็นพระโสดาบานันเราลาสิขาวออกมาแล้วเรายังจะได้เป็นพระโสดาบันหรือไม่เจ้าคะได้ไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกับการส่วนใหญ่เป็นแล้วไม่ลาหรอกส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่อเรื่องอะไรลามันทําไมอยากจะขึ้นสูงไม่ใช่จะลงต่ํานะว่าเป็นโสดาบันก็อยากจะขึ้นไปเป็นสกิดดาคามีแนละ้วถ้าลาก็แสดงว่าเป็นโซดาไม่ใช่โซดาโซดาปลอมพวกที่บรรลุธรรมแล้วสึกนี่เป็นพวกปลอมเั่านั้นนะ่ะอยานะ่างพวกที่เขาบรรลุแล้วเขาไม่ก็ไม่สึกกันแล้วเขาจะขึ้นสูงขึ้นไป เขาไม่ลงต่ำนะคำถามต่อไปจากคุณปัทนะนันคะ่ะที่บ้านเปิดร้านขายสุราให้คนมานั่งดืม่มแล้วเราต้องช่วยแม่ขายแต่เราไม่อยากขายจะต้องทำอย่างไรดีคะอ่าจะทำางไงถ้าอยู่กับเขาก็ต้องทำกับเขาถ้าไม่อยากจะทำกับเขาก็ไปอยู่ที่อื่นนะ คำถามต่อไปจากคุณสุปราณีค่ะการบริจาคเลือดสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ตายแล้วด้วยได้ไหมคะน่าจะได้เนะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนการทำทานอย่างหนึ่งเป็นวัตถุทานแทนที่จะใส่บาตรให้กับพระแล้วก็บริจาคเลือดไปมันก็เป็นความสุขใจเหมือนกันคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกน้มค่ะทำอ น, น, น, นันต์ประกรรมกับพ่อแม่ โดยการฆ่าบิดามารดาสามารถพ้นทุก์ได้ไหมคะก็ต้องใช้กรรมไม่หมดเนี่ยมันก็เหมือนไปติดคุกติดตารางเป็นดาโทษมันหนักโทษโทษปราจำคุกตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ต้องรอให้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่โทษถึงจะหมดเนี่ยอันนี้ีพูดเปรียบเทียบแต่หมายความว่ากรรมทุกชนิดมันมีวันหมดได้ เมื่อใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ได้อย่างพระเทวทัตใ น, นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่ไปใช้กรรมในอบายแล้วพอพ้นกรรมก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชใหม่มาปฏิบัติธรรมใหม่แล้วต่อไปก็จะบรรลุเป็นพระปัเจกัพุทธเจ้าต่อไปคําถามจากคุณชอบเพรค่ะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมเจ้าคะ่ะ การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเงินถามยังไงใช่ไหมไหถามใหม่เลยการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมเจ้าคะออถ้ามีเงินก็ใช้เงินเป็นการทำบุญได้อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เงินเป็นเรื่องเดียวที่จะต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทำด้วยเงินบุญมีหลายวิธีอย่างวันนี้ได้พูดมีสิบวิธีด้วยกันไม่มีเงินก็ทำอย่างอื่นได้รับใช้สังคมก็ได้เป็นจิตอาสาก็ได้ นักษาศีลก็ได้นั่งสมาธิก็ได้มีบุญหลายวิธีด้วยกันไม่ใช่แต่บุญที่ต้องใช้เงินอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะเวลาจะทำสมาธิแล้ววุ่นวายใจแต่พอเวลาไม่ทำกลับไม่เกิดอะไรเพราะอะไรครับมีวิธีแก้อย่างไรคะเพราะกิเลสมันมันไม่ชอบนั่งเลยนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆมันก็เลยปวนขึ้นมาแต่พอให้มันทาอะไรมันก็เลยไม่ปวด ก็ต้องฝึกสติก่อนฝึกสติให้มีกําลังควบคุมอกิเลสให้ได้ก่อนถ้าควบคุมไม่ได้เวลานั่งมันก็จะมาก่อกวนมารบกวนถ้าควบคุมได้มันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะนั้นพยายามฝึกสติบ่อยๆฝึกสติมากๆแล้วมันจะลดกําลังของกิเลสที่จะมาก่อกวนจิตใจเวลานั่งสมาธิได้หมดแล้วเหรอหมดแล้วคะ่ะโอเคอเดี๋ยวมีคําถามเดี๋ยวส่งไม้ไปหน่อย เคยเคยได้ยินมาว่ากลกลปากดังดังหอยเคยได้ยินมาว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านท่านทัา น, น, น, นไม่ทอนปากสิเคยได้ยินมาว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านเหมือนปรารบว่าทำไมชาวพุทธเนี่ยชอบถวายเงินพระคือพระไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เงินอันนี้ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงหรือยังไงนะค ะ, ะไม่จริงมาพูดทำไมนะไม่อยากจะพูดด้วย เมื่อไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริ ง, รงอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะตายเป็นการเผยแผ่ความเท็จไปแล้วที่นี้ตัวเองเวลาใส่บาตรก็จะถวายเงินท่านนิดนดิหน่อยหน่อยเพราะว่าเห็นท่านเวลามาบิณฑบาตนะจะมีรถร ถ, รถสองแถวมั่งรถกตุตตตกต๊กมั่งอะไรมาคอยรับของในในซอยนะฮะก็เลยถือว่า ตัวเองก็ถือว่าอที่เราถวายไปเนี่ยเพราะว่าจะช่วยค่ารถท่านอย่างนี้ตกลงแล้วยังไงผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดหลอกการถวายเงินให้กับพระเพียงแต่ว่าถ้ามีขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ไม่ถวายกับตัวท่านต้องฝากลูกศิษย์ไว้ถ้ามีเด็กตามมาเถือเป็นโตนะี้ก็ฝากเงินให้กับเด็กแล้วบอกพระว่าได้ถวายปัจจัยฝากไว้กับลูกศิษย์ไว้สําหรับค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ท่านต้องใช้อันนี้ดิฉันใส่ซองแล้วแ อก็เดี๋ยวนี้พระมีสองแบบไงพระที่รับสองได้กับพระที่รับสองไม่ได้ถ้าท่านรับสองก็แสดงว่าท่านรับได้พระบางลูกท่านไม่รับท่านก็บอกว่าโยมฝากไว้กับลูกศิษย์ให้หน่อยอไม่บาปหรอกโยมทําไปเงิเนสมัยนี้มันก็บางทีจําเป็นไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณไม่มีอไม่มีรถมีราการบินสบายก็เดินใกล้ ที่หมู่บ้านอะไรกันสมัยนี้บางทีต้องไปไกลญาติโยมนิมนต์ไปนู่นนี่ก็บางทีแถวบรเิเวณวัดอาจจะไม่มีคนใส่บาตร<ม>ก็ต้องไปไกลหน่อย<ม>ก็เลยาจาเป็นจะต้องเช่ารถไปทํารองนี้หรือไม่เช่าก็มีลูกศิษย์หรือคนที่เขามาช่วยแต่เขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันก็ต้องช่วยค่าน้ํามันให้เขาไปอันนี้ก็ไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้ ถวายเงินเพียงแต่ว่าไม่ให้พระเก็บไว้เก็บไว้เองให้ฝากไว้กับญาติโยมเพื่อความปลอดภัยของพระเวลาพระต้องการแล้วค่อยไปบอกญาติโยมว่าต้องการจีวรจีวานมันขาดแล้วช่วยซื้อจีวรพื้นใหม่ให้หน่อยถ้ามีเงินฝากไว้เขาก็ไปซื้อจีวรที่เราต้องการได้ คำถามต่อไปจากคุณชายค่ะเวลานั่งสมาธิต้องให้จุดรวมก่อนใช่ไหมครับถึงจะออกทางปัญญาได้ขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่หรอกเวลานั่งสมาธินี้ให้รวมอย่างเดียวไม่ให้ไปออกทางปัญญาทางปัญญานี้อีกเรื่องหนึง่งให้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกนี้ให้มันรวมแล้วให้มันนิ่งนานๆจ น, นวกว่ามันจะอยู่ไม่ได้มันค่อยออกมา แล้วก็ให้มันกลับเข้าไปใหม่เข้าไปบ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปนานๆจนกว่าเราชำนาญสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลานาทีไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิตอนนั้นเราถึงค่อยไปขั้นปัญญาต่อไป ขั้นปัญญาก็ต้องไม่ใช่อยู่ใ น, นในสมาธิต้องอยู่ในขณะที่เดินจงกรมอย่างนี้ก็พิจารณาทางปัญญาไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปเพื่อให้ใจปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไปยึดไปติด ท, ที่ทำให้จิตใจทุกข์ด้วยนะนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณดอกไม้สีม่วงคะ่ะมีหมาจรจัดมาเข้ามาในคอนโดโยมและเพื่อนบ้านได้แจ้งนิติบุคคลนิติเอาป้ายมาติดหน้าตึกว่าห้ามให้อาหารเพราะถ้าให้อาหารก็จะอยู่ในตึกคอนโดเกรงว่าหมาจะกัดเด็กบาปไม่เจ้าคะที่แจ้งนิติอก็ไม่บาปแต่ก็ไม่เมตตาท่านเอง คำถามต่อไปจากคุณเอกชัยค่ะทำอาชีพขายสเต็กบาปไหมครับถ้าเม่ค้าเนื้อมาทำเองก็ไม่บาปถ้าไม่ไปสั่งให้เขาค้าก็ไม่บาปแต่ถ้าค้าเองหรือสั่งให้เขาค้าให้เราเพื่อเอาเนื้อมาทำสเต็กขายก็บาป คำถามจากผู้ฝากถามค่ะมีคนฝากซองทำบุญแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในขณะนั้นไม่มีเงินเลยจึงนำเงินในซองไปใช้ก่อนแล้วพอเงินเดินออกก็เอามาใส่ซองตามเดิมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไหมคะก็ขโมยชั่วคราวถ้าไม่อยากจะขโมยก็บอกเจ้าของเงินก่อนว่าพี่ขอยืมเงินนี้ไปใช้ก่อนเ น, นี่ยเอาไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเขาก็ถือว่าขโมยเป็นบาป แต่พอเอามาเอาเงินมาคืนก็ถือว่าอาใช้บาปมันนั้นไปคำถามต่อไปจากคุณอนุรักษ์ค่ะแม่ฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วเมื่อสามสิบปีก่อนฝันว่าแม่บอกว่าให้ไปนอนอยู่ที่นี่ไม่ให้ไปนอนที่อื่นฝันแบบนี้หมายถึงอะไรคะก็ถามแม่ดูเลยมาถามเราทําไม คำถามจากผู้ฝากถามค่ะถ้าเราทะเลาะกับคนหนึ่งแล้วเราขออโหสิกรรมแล้วเขาไม่รับอโหสิกรรมถือว่าเขาจะจองเวรเราไปชาตดน้าไหมคะแต่เราก็แผ่เมตตาให้เขาทุกครั้งค่ะและเจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมคะแค่เขายังจองเวรอยู่เขาก็ยังจองเวรอยู่วิธีแผ่เมตตาเราก็แผ่ไม่เป็นเขาถึงยังจองเวรอยู่ถ้าแผ่เป็นนับนองก็ไม่จองเวรเนี่ย ไปแผ่แบบนั่งสวดไยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเราไปแผ่เมตตามันไม่ได้แผ่ให้เขาวิธีแผ่ก็ต้องทำให้เขามีความสุขเลยเขาชอบสเต็กก็ซื้อสเตกมาให้เขากินกินบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาก็หายโกรธเราเองแผ่เมตตาไม่เป็นชอบแผ่แบบไปนั่งสวดอยู่คนเดียวเขาจะไปรู้เลยเราแผ่เมตตาให้กับเขาอยากจะแผ่เมตตาให้กับเขาให้เข า, เขามีความสุขให้เขาให้อภัยเราก็ ไปทำให้เขามีความสุขสีเขาชอบอะไรก็ซื้อมาให้เขากินให้เขาใช้เดี๋ยวซื้อบ่อยๆใช้บ่อยๆเดี๋ยวเ้าก็ติดใจเขาก็หายโกรธเองคำถามต่อไปจากคุณเซตกอบค่ะผมมีข้อติดขัดจากการภาวนามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นสร้างความลำบากใจข้อหนึ่งปามาสงหรือผู้มีพระคุณพอจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ก็เวลาปามาสก็ถ้าใช้สติหยุดได้ก็หยุดไปพุโทโธพุโทโธไปถ้าใช้ปัญญาก็คือไปปามาทเขาทำไมเขาจะดีเขาจะชั่วเป็น เ, เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเราถ้าอยากจะปามาสปามาสเราไม่ดีกว่าเลยถ้าเราไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเองให้ดีไนดะ้ถ้าเราดีก็ทำตัวเราให้ดีขึ้นไปกว่าเก่าเปลี่ยนเป้าการที่จะไปปามาสคนอื่นมาปามาสตัวเราดีกว่า ข้อสองค่ะเห็นอุจจาระอสุภะของสกป ร, รกจิตเกิดความรู้สึกทําให้น้ําลายสอจากปากเป็นกรรมหรือเปล่าครับผมกําหนดจิตให้มองเป็นเวทนาและมองดูเป็นอสุภะไปเลยพิจารณาของกินที่เข้าไปเป็นอสุภะแบบนี้แก้ถูกทางไหมครับก็จะแก้ต้องแก้ตอนที่มันอยากกินเลยไม่แก้ตอนนี้ไม่อยากมันไม่เกิดประโยชน์ไปกินยาตอนที่มันไม่เป็นนโรคมานกินไปทําไม มันต้องกินตอนที่มันเป็นโครคภัยแค่เจ็บปวดหัวก็ต้องรีบหาย า, ยาแก้ปวดหัวกินไม่ใช่เวลาไม่ปวดหัวเราไปกินยาแก้ปวดหัวมันก็ไม่มีผลอะไรการพิจารณาสุภาษิ้มันเพื่อเป็นการกาจัดความอยากอยากในอาหารก็ดูความสกปรกของอาหารเช่นพวกถือศีลแปดเนี่ยต้องใช้การพิจารณาความสกปรกของอาหารเพราะตอนเย็นมันจะหิว มันจะอยากกินพอนึกถึงอาหารที่อยู่ในช่วมมันก็เลยหายอยากอยากไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในจาน <c oughs> คิดถึงอาหารอยู่ใน <c oughs> เห็นอาหารในจานว่แหมมันน่ารับประทานน้ำลายไหลแต่อยากจะใช้ต้องใช้ให้มันถูกวิธี นอกจากว่าถ้าเราพิจารณาเพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนก็พิจารณาได้ทําการบ้านไว้ก่อนซ่อมไว้ก่อนตอนนั้นก็ยังจะไม่มีผลอะไรเพียงแต่เป็นการฝึกซ้อมให้เราจดจําไว้ว่าเราต้องมองอาหารที่ไม่น่ากินนะเวลาที่เกิดความอยากกินแล้วยังกินไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวห้ามไม่ไหวเดี๋ยวสินขาดไม่ใช่อะไรเดี๋ยวถือสินขาดเดี๋ยวถือสินแปดไม่ได้พอตกเย็นขึ้นมาใจมันจะคิดถึงอาหาร ก็ให้มันคิดถึงอาหารในใจในในช่วมในปากอย่างนี้ได้มันจะคิดได้ก็ต้องคิดเตรียมตัวไว้ก่อนต้องซ้อมไว้ก่อนข้อสมค่ะเมื่อผมเห็นของมีคมความรู้สึกจะชัดเจนมากทีเดียหรือปากทันทีว่าโดนเฉือนหรือโดนทิ่มแทงเป็นกรรมหรือเปล่าครับผมกำหนดจิตพิจารณาเวทนาและพิจารณารูปแบบนี้แก้ถูกทางไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะคาถามน่านี้เราฟังเราไม่รู้จะตอบยังไงหมดแล้วเลยยังมีค่ะค่ะนมัสการเจ้าค่ะยมขอข้อธรรมสาหรับคนใจน้อยอเจ้าค่ะก็ทำให้ใหญ่สิใจน้อยก็ทำมันใหญ่ทำใจใหญ่ก็ใจกว้างใจบุญใจกุศลทำบุญเยอะ แบ่งปันเยอะๆช่วยเหลือคนเยอะๆความใจน้อยของเรามันเกิดจากความอยากได้ความสนใจจากคนอื่นพอไม่ได้รับความสนใจจากคนอื่นก็ทำให้ใจเราน้อยให้เราอย่าไปหวังได้อยากจะได้อะไรจากใครมันก็จะไม่ใจน้อยแทนที่อยากจะหวังอะไรจากคนอื่นกลับให้เขาดีกว่าให้เขาแล้ว เราจะมีความสุขใจแต่อย่าให้แบบเพื่อหวังให้เขาให้ความาให้ความาสนใจเราเรือว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญทำบุญเพื่อทำให้เราใจกว้างใจยายใจเมตตาเราไม่ไปหวังอะไรจากใครเพราะเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความสุขใจเราก็ไม่ต้องไปหวังให้คนนัน้นคนนี้มา ทำอะไรให้กับเรามาให้ความสนใจกับเราตอนนี้เราขาดบุญขาดความสุขใจเราเลยต้องหวังความสุขใจจากคนอื่นพอเขาไม่ให้เราเราก็น้อยใจพยายามทำบุญหาความสุขในตัวเราดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากคนอื่นเพราะเวลาไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราน้อยใจเสียใจออีกข้อนึงเจ้าค่ะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการแชทด้วยไลน์หรือว่าใช้เฟซบุ๊กติดต่อกับนักบวชติดต่อกับพระสงฆ์เนี่ยจะถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าเป็นธุระก็ไม่บาปนะถ้าไม่เป็นธุระมันก็เป็นเรื่องไม่สมควรเป็นเรื่องของการเพ้อเจ้อเป็นเรื่องการใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์ควรเอาเวลาไปทำจิตใจให้สงบดีกว่าแต่ถ้ามีธุระ ป, ระป่าปางต้องติดต่อเรื่องทำภาพ ป, ป่า นิมนต์กิจนิมนต์อะไรนี่ก็บางทีสมัยนี้มันมีเครื่องสื่อสารที่ทันสมัยก็ติดต่อกันได้หรือมีปัญหาธรรมะอยากจะถามคำถามทรท ม, ามหาคำตอบไม่ได้ก็ถามพระที่เขารู้ธรรมะถ้าท่านตอบมามันก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่ถ้าถามมาเป็นไง <c oughs> น้องพี่วันนี้คิดถึงหนูบ้างหรือเปล่าเ <c oughs> อ้น <c oughs> ลวงพี่คิดถึงทุกวันเลยใจเมตตาทุกวันเลย อย่างเงี้ยมันไม่ควรเข้าใจไหมเวลาต่จะใช้ในทิศทางไหนเป็นเหมือนมีดมีดถ้าเอาไปใช้ทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เอาไปหั่นผักหั่นเนื้อทำกับข้าวกับปลาได้ไปตัดเชือกตัดอะไรเวลาที่เมีคนเขาส่งของมาเขามีมีมัดเชือกมัดอะไรไว้ก็ต้องใช้มีดตัดมันอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ า, ามาใช้ทิ่มแทงตัวเองมันก็เป็นโทษ เพราะฉะนี้แชทนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นวิธีสื่อสารวิธีหนึ่งแต่เราต้องรู้จักว่าใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้มันเกิดโทษเอาหมดเวลาพอดีเอาแค่นี้ก่อนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ